ยาซีเรียเรื่องไก่กับเป็ดสามีพัญญาข้าวใหม่ปลามันคู่หนึ่งไปเดินเล่นด้วยกันในป่า ในค่ำคืนที่สดใสา ย, ยามฤดูร้อนทั้งคู่กำลังมีความสุขมากที่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันตามลำพังจนกระทั่งได้ยินเสียงแววแวมาแต่ไกลแควแควพัญญาบอกว่าฟังสิดูเหมือนจะเป็นไก่นะสามีบอกว่าไม่ใช่รอกเป็นเป็ดต่างหากเล่าพัญญาก็ว่าไม่ใช่ ฉันมั่นใจว่าเป็นไก่แน่นอนสามีชักจะเริ่มรำคาญเขาบอกว่าเป็นไยไม่ได้ไก่ก็ต้องร้องว่าเอ๊ะอีเอ๊ะเอ๊ะสิเป็ดะถึงจะร้องว่าแควแควมันเป็นเป็ดจัตุรักแควแควเสียงแววมาอีกสามีบอกว่าเห็นไหมนั่นน่ะเสียงเป็ด พญายังคงยืนกรานว่าไม่ใช่นะที่รักฉันแน่ใจว่าเป็นไก่แน่พร้อมกับอาการกระแทกส้นรองเท้าสามีพูดอย่างออกอาการกโกรธว่าฟังนะจ๊ะคุณเมียมันเป็นเป็ดปอเอดอเป็ดเข้าใจมั้ัญญาก็ยังคงคานว่ามันเป็นไก่ปัโถ บอกว่าเป็ดก็เป็ดสิเธอเธอเสียงแควะแควะดังขึ้นอีกก่อนที่สามีจะกล่าวคำอะไรที่ไม่สมควรออกมาพัญญาผู้ใกล้จะร้องไห้เต็มแก่ก็ยังคงค้านว่าแต่มันเป็นไก่นะสามีสังเกตเห็นน้ำตาคลอหน่วยในดวงตาพัญญาของเขาและในที่สุดเขาก็รำลึกได้ว่า เหตุใดเขาจึงแต่งงานกับเธอสีหน้าของเขาอ่อนและมุน ล, ลงและเขาก็พูดอย่างอ่อนโยนกับเธอว่าขอโทษนะที่รักผ ม, มคิดว่าคุณถูกมันเป็นไก่จริงๆแหละขอบคุณค่ะที่รักเธอกล่าวพร้อมกับกระชับมือเธอเข้ากับมือเขาเสียงแควแควยังคงแว่วออกมาจากป่า ขณะที่เขาทั้งสองเดินคลอเคลียกันต่อไปด้วยความรักประเด็นของเรื่องอยู่ตรงที่ในที่สุดสามีก็ได้ตื่นขึ้นมาตระหนักว่าจะต้องสนใจไปทาไมว่ามันเป็นไก่หรือเป็นเป็ดสิ่งที่สำคัญมากกว่าคือความกลมเกลียวปลองดองระหว่างเขาทั้งสองที่จะทำให้เขามีความสุข กับการเดินชมป่าในค่ำคืนอันงดงามของฤดูร้อนนั้นอย่างไรก็ตามมีกี่ครั้งกี่หนที่เรามั่นใจเต็มร้อยว่าเราถูกเพื่อจะพบว่าเราผิดในเวลาต่อมาใครจะรู้ได้มันอาจจะเป็นไก่ชนิดใหม่ที่กลายพันธุ์จนร้องเหมือนเป็ดก็ได้